เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบ่อยสัตว์อุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ส5ห้ามีนาคมพุทธศักราช2 5 5หเป็นวันพระวันธรรมมัชฌญาวันฝังธรรมวันปฏิบัติธรรมเพื่อ ความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการมาศึกษาและปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ศึกษาแล้วก็ให้นําออกไปปฏิบัติเพราะทางของพระพุทธเจ้าจะนําพาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวร และหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้ยังเป็นความสุขความทุกข์ที่ไม่ถาวรมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการเดินทางของพวกเราจึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางในวงเวียนเราไม่ได้ไปไหนเราก็ไปหา ไปหาความสุขแล้วก็ไปเจอความทุกข์ <c oughs> แล้วก็หนีความทุกข์เพื่อไปหาความสุขใหม่นี่คือลักษณะของชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตแบบสุขสุขดิบดบสุขบ้างทุกข์บ้า ง, างแต่ไม่มีความสุขที่ถาวรมีความสุขแค่ชั่วคราวแล้วก็ต้องมาพบกับความทุกข์ใหม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สามารถศึกษาและปฏิบัติให้พระองค์ได้พบแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนำเอาทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนรมามาเผยแป่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังหลงทางอยู่ยังหาทางออกจากการเวียนว่าตายเกิน ไม่ได้ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธานำมาไปปฏิบัติก็จะสามารถพบกับความสุขความเจริญที่ถาวรหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรดังที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความเลื่อมใสที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทเจ้าแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้กลายเป็นสราณีที่สของของสัตว์โลกทั้งหลาย ก็คือพระสังฆรัตนะพระอริยสงสาวงทั้งหลายผูป้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนื่องจากมีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างแน่วแน่ซื่อตรงต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างที่พระอริยสงสาวงทั้งหลายได้ปฏิบัติ ผู้นั้นกระเจ้มจะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุก็คือการศึกษาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เองดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้จักทางที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนให้เราดำเนินเรารก็ต้องศึกษาด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ หรือเปิดวิทยุเปิดซีดีทรมาฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจจะรู้จักทางของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนอะไรบ้างทรงให้ปฏิบัติอะไรบ้างทางที่พระเจ้านี้ทรงสอนนี้ก็มีอยู่แปดข้อด้วยกันเป็นเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่จะมีอิทธิพลต่อกันละกันทาข้อแรกที่สำคัญที่สุดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี้สำคัญเพราะว่าถ้าเรามีเห็นความเห็นที่ถูกเราก็จะคิดถูกพูดถูกและทำถูกแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ผิดเราก็จะคิดผิดพูดผิดและทำผิดผลก็คือ จะเป็นแต่ความทุกข์ตามมานั่นเองดังนั้นข้อแรกเราต้องมีก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงถูกต้องตามหลักของความจริงเพราะความจริงนี่แหละที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงตอนนี้เราไม่ได้เห็นความจริงกันเราไปเห็นยกตัวอย่าง เราไปเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเราเห็นว่าสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรานั้นเป็นความสุขเราจรึงไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่เรามักจะมีความทุกข์กันทั้งนั้นอะไรที่เราเห็นผิดเป็นชอบก็คือเห็นว่าลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโทธทพะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรา ทุกคนอยากจะรวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆแต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเขาเป็นอย่างไรเขาคงเส้นคงวาหรือไม่เขาอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่เขาไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราไม่เคยคิดกันเวลาที่เราได้มาเราก็ดีออดีใจแต่เวลาที่เขาจากเราไปหรือหายไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจทุกท ร, รมานใจเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นโน้โผตภาเขาไม่เที่ยงนั่นเองเขามีเกิดมีดับมีมามีไป มีเจริญมีเสือ่อมแต่เราไม่เคยคิดกันเราก็เลยไปยึดติดกับสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะเรามองเพียงด้านเดียวมองด้านเจริญเวลาเจริญเวลาได้มามีความสุขแต่เราไม่มองด้านเสือ่อมเวลาที่เขาจากเราไปว่าจะให้ความทุกข์กับเรานี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เาจต้องมาใสยพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายคอยสอนคอยเตือนเราให้รู้ว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์ความทุกข์ก็คือนี่แหละก็คือลาบยกเสรเสริญรูปเสียงกลิ่นนนส่วนความสุขก็คืออะไรความสุขก็คือการทาบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม อันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าได้ทำบ่อยๆได้ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งคือให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วข้อที่สองคือให้คิดอย่างถูกต้องก็จะตามมาสัมมาสังกปรคือความคิดที่ถูกต้อง เมื่อเรามีความคิดว่าราภยุศเมื่อเรามีความเห็นว่าราภยุศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์เราก็จะคิดถอยออกจากการเข้าหาลาภยุศสารเสริญเข้าหารูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพเราก็จะเข้าหาศีลธรรมจะเข้าหาการทำบุญการรักษาศีลการปฏิบัติธรรม อย่างวันนี้ญาติโยก่อนที่จะมาวัดก็ได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เรียกว่าความคิดที่ถูกต้องต้องคอยคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคิดแต่จะทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำความดีคิดที่จะถอยออก จากายศสรรเสริมจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย น, นี่คื อ, <c oughs> อมรรคข้อที่สที่ยาติโยมกำลังทำกันอยู่ก็คือสัมมาสามังกปรู ค, ความเห็นที่ถูกต้องพวามมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมรรคข้อที่สก็จะตามมาก็คือสัมมากรรมันโตคือการกระทําที่ถูกต้อง ก็คือการมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมพอคิดแล้วเราก็เตรียมตัวออกเดินทางมาเราก็มาทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือมาลากเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดกเวณีพูดปลดมดเทศเสศุรายาเลาหรือถ้าเราอยากจะ ได้ธรรมะได้ความสุขมากกว่านี้เราก็ถือศิ่งแปเพิ่มขึ้นอีกสามข้อข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการเมมาเป็นอภรรมาจาริยาแปลว่าเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคู่ครองของเราวันนี้จะขอลดขอหยุดหนึ่งวันเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ต้องจากกันตอนนั้นก็จะทุกข์ถ้ายังติดกับความสุขแบบนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่ติดเวลาที่จากกันเราก็จะไม่ทุกข์เราจะสามารถอยู่คนเดียวได้เพราะเรามีศีล้อ3สาคืออพา ร, ร ม, มาจริยาเราสามารถหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้อยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้ ส่วนข้อที่6ก็คือเราจะละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วคือจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายความต้องการของร่างกายนี้ต้องการอาหารเพียงแค่เต็มท้องเท่านั้นเต็มหนเดียวก็พอเหมือนกับล้นโยนที่เติมน้ำมันทีนึงก็เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลย ไม่ต้องเติมวันละหลายหลายครั้งเหมือนกับเรารับประทานอาหารเราแทงกั๊กกันไว้เราไม่กล้าเติมทีเดียวให้เต็มท้องกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกไม่ได้เพราะว่ากลั ว, วาร่างกายจะจะขาดอาหารแต่กลัวว่าความอยากจะไม่ได้ทำตามความอยากคืออยากจะกินอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่นของอาหารนั่นเองเลยต้องแทงกั๊กแบ่งไว้กินวันละลหลายครั้ง เช้วก็ตื่นขึ้นมาก็เอาเครื่องดื่มก่อน ก, กาแฟกระตุ้นประสาทแล้วก็รับประทานอาหารระหว่างระหว่างก่อนจะถึงรับประทานอาหารกัางวันก็ยังมีขนมนมเนยมีเครื่องดื่มต่างๆคอยสนับสนุนเนี่ยเราจะกินไปทั้งวันเลยจนกระทั่งถึงเวลานอนหลับนี่ไม่ได้กินเพื่อร่างกายไม่ได้กินด้วยเหตุด้วยผลแต่กินด้วยความอยาก คือการมาตัญหาความอยากคือการมาตัญหาอันนี้แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์วุ่นวายใจอยู่ไม่หยุดไม่หย่อยดังนั้นวันนี้เราจะมาถือศีลแปดเพื่อมาควบคุมหรือกำจัดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยที่เราจะถือการรับประตานอาหารเพื่อ รับประทานเพื่อร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อความอยากเหมือนกับเติมน้ำมันรถร่างกายต้องการอาหาร<ม>ก็รับประทานเข้าไปทีครั้งเดียวให้อิ่มไปเลยให้พอเลยต้องการจะรับประทานเท่าไหร่ก็รับประทานได้ ไ, ไ, ดไม่เป็นไรแต่ขอให้รับประทานเพียงครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่รับประทาน อ, อีกถ้าจะดื่มก็ขอดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนี่จะเป็นวิธีที่จะเราจะ ทำให้จิตใจของเราในความสุขมีความทุกข์ความวุ่นวายใจได้น้อยลงไปเพราะความสุขของใจอยู่ที่ความสงบใจจะสงบได้ก็ต้องไม่มีความอยากมาก่อควรเวลามีความอยากแล้วใจจะไม่มีความสงบจเมื่อไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาถือสิงหแปดกัน เพื่อมากำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขกันนั่นเองนี่คือข้อที่6ข้อที่7ก็คือเราก็อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรดจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารรท์ที่มีสีสันสดสวยสดใสหรือไม่ให้แต่งหน้าทาปากทาน้ำหอม แล้วก็ไม่ให้ดูหนังฟังเพลงทำการร้อเล่นต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการบัเทิงวันนี้จะไม่หาความสุขแบบนี้จะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่คือข้อที่8ข้อที่7ข้อที่8ก็คือการจะไม่หลับไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะนอนแบบทักผ่อนเพื่อร่างกาย ถ้าจะพักผ่อนเพื่อร่างกายก็อนอนบนพื้นธรรมดาบนพื้นแข็งปูด้วยผ้าหรือเสือ่ออย่านอนบนฟูกเพราะนั่นไม่ได้นอนเพื่อร่างกายนั่นนอนเพื่อความอยากคือความสุขในการสัมผัสกับสิ่งที่นุ่มเวลานอนกับบนสิ่งที่นุ่มๆแล้วจะนอนหลับนานเินไปธรรมดาร่างกายนี้จะต้องการเพียง 4 5ห้าชั่วโมงเท่านั้นเวลาเวลานอนแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังนอนอยู่บนพูกนนานะนอนอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นๆก็จะเกิดความอยากนอนต่ อ, อ, อ, อแทนที่จะลุกขึ้นมามาทาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติก็จะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโม ง, งด้วยกันเวลาอมีค่าก็จะผ่านไป จะไม่ได้ปฏิบัติจะไม่ได้สร้างความสุขที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐได้แต่สำหรับผู้ที่นอนบนพื้นนาะนอนบนเสือ่อนอนบนพื้นแข็งนอนบนเสือ่อหรือปู ด, ด้วยผ้าหลังจากท่าร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วส5ห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันไม่นิ่มนั่นเอง ลุกขึ้นมาจะได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมจะดีกว่าจะได้ความสุขคือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขที่มีคุณประโยชน์กว่าความสุขที่ได้รับจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆ น, นี่คือนี่คือศินข้อที่แปดสินทั้งแปดข้อนี้พวกเราถ้าสามารถรักษาได้ เราจะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่จะไม่มีวันเสื่อมจากเราไปตราบใดเราปฏิบัติรักษาศีลได้เราก็จะมีความสุขแบบนี้ไปจนวันตายตายไปก็ยังสามารถเอาติดไปกับเราได้ต่อไปนี่คือการกระทาที่ถูกต้องก็คือ ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์กระเพื่อผิดประเวณีพูดปดเศษสุรายาเมาละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทินต่างๆละเว้นจากการหลับนอนบนฟูกหนหนาๆนี่เรียกว่าการกระทำที่ถูกต้องเพราะเป็นการกระทำที่จะนำความสุขมาให้ การกระทำที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเรานั่นเองเรียกว่าสัมมากัมมันโตแล้วเราก็มาถึงข้อที่สคือสัมมาวาจาเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกความคิดที่ถูกเราก็จะพูดในสิ่งที่ถูกก็คือเราจะคิดทำบุญรักษาศีลเราจะไม่พูดกดเราจะไม่พูดคำหยาเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อ เราจะไม่พูดส่อเสียคำว่าส่อเสียนี้หมายถึงแปลว่าเราจะไม่พูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามมิตรกันเราจะพูดแต่ให้เกิดความรักความสามีปรองดองกันเพราะความรักความสามมิตรปรองดองเป็นเหตุของความเจริญและความสุขส่วนความแตกแยกนี้เป็นเหตุของความเสื่อม ของความทุกข์ดังนั้นเราจะไม่ส่งเสริมให้ให้ใครเกิดความแตกแยกเราจะคอยส่งเสริมพูดในสิ่งที่ดีเช่นมีคนมาบ่นมาร้องว่าคนนั้นไม่ดีแทนที่จะยุให้เขาไปทำร้ายเราก็จะบอกให้เขาว่าอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเลยให้อภัยกันดีกว่าให้มองส่วนที่ดีของเขาเขา ไม่ได้ร้ายอย่างเดียวเขามีส่วนที่ดีด้วยเช่นคู่รักคู่ทองของเราเวลาเขาทำอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็อาจจะเกิดความโกรกแค้นอยากจะทำร้ายเขาเราก็ควรจะคิดถึงส่วนที่ดีเขาก็มีส่วนที่ดีกับเรามากแต่เราแต่เราไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนเรานั้นยังมีติเละอยู่ จะเป็นเป็นผ้าขาวเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นผ้าอหารหันไม่ได้ก็ต้องมีดีบ้างกับไม่ดีบ้างส่วนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปถือโทษกดเคืองกันให้คิดถึงส่วนที่ดีแล้วเราก็จะทำให้การให้อภัยนี้ไม่ยากเย็นใจอย่างใดคิดว่าเป็นการทดแทนบุคุณความดีของเขา เวลาเขาทาส่วนที่ไม่ดีเราก็ยกโทษให้อภัยไป mm. เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขไปได้ไม่ต้องแยกทางกันเพราะว่าถึงแม้จะแยกทางแล้วไปอยู่กับคนใหม่มันก็เหมือนกันคนเราตัวคนเหมือนกันหมดมีดีมีไม่ดีอยู่ในตัวของคนเราทุกๆคนดังนั้นถ้าเรามีศีลนะเราก็จะไม่ ไม่พูดยุยงไม่พูดส่อเสียดให้เกิดการความแตกแยกสามัคคีนี่คือการกระทำราอการมรรคข้อที่สีคือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องพูดแล้วเกิดประโยชน์พูดแล้วทาให้เกิดความสุขไม่ได้พูดแล้วทำให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความเดือดร้อน เช่นคำพูดของพระพุทธเจ้าพระองค์พูดแต่ความจริงพูดแต่ความความเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาพูดตามความจริงพูดแล้วผู้ฟังนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะพบกับความสุขอย่างที่ท่านสอนว่าความสุขไม่มีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสมีแต่ความทุกข์ ถ้าเรานำเมาไปปฏิบัติได้เราก็จะไม่ต้องพบกับความทุกข์เราจะพบกับความสุขมรรคข้อที่หเรียกว่าสัมมาชีโวหรืออาชีพที่ถูกต้องนั่นเองการประกอบอาชีพที่ถูกต้องก็คือเป็นอาชีพที่สุดจริดที่สะอาดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลผิดธรรม ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอาชีพที่ไม่ควรกระทําก็คืออาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อเอาไปเชื่อดเพื่อจะได้เอาไปขายในตลาดนี่เป็นอาชีพที่เราไม่ควรจะกระทํากันหรืออาชีพที่ค้าอาวุธค้าฆ่าเครื่องที่จะค่าสิ่งที่จะไปฆ่าผู้อื่นได้ เช่นกับดักสับรูกค้าพวกสารพิษยาพิษทั้งหลายที่จะไปทำให้ผู้ต้องเสียชีวิตแล้วก็อย่าไปค่าสิ่งที่ทําให้เกิดความมึมนเมาเช่นสุราเพราะสุรานี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วก็จะทําให้ไม่สามารถประครับประคองการพูดการกระทําได้คนที่เสพ สุราจนมึนเมาแล้วมักจะไปมีการทะเลาะวิวาทมีการทำร้ายผู้อื่นมีการทำให้ผู้อนัถึงแก่เสียชีวิตได้อย่างนั้นเราอย่าส่งเสริม <c oughs> การจำหน่ายสุรายามเมาอย่าส่งเสริมให้ผู้อนเขาต้องมีความมึนเมาไม่มีสติเพราะว่าจะทำให้สังคมนี้อยู่ยาง ไม่เป็นสุขนั่นเองนี่คือสัมมาอาชีพสัมม า, าชิวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่6ก็คือสัมมาวายาโมแปลว่าความเพียรชอบคนเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้าเราอยากจะประสบกับความสําเร็จในชีวิตเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้าเราขี้เกียจ เราจะไม่สามารถจเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมได้ในทางธรรมเราก็ต้องมีความเพียรอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือเพียรทำความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นถ้าเราไม่เคยใส่บาตไม่เคยมาวัดในวันพระเราก็มากันให้ได้อยู่บ้านก็ใส่บาตวันธรรมดา วันพระก็มาวัดกันถ้าเราทำได้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้นี่คือความเพียรข้อที่สองรักษาความดีที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้หายไปถ้าเคยใส่บาปอยู่เป็นประจำก็ต้องใส่ต่อไปอย่าเลิกใส่ถ้าเคยมาวัดทุกวันพระก็มาต่อไปอย่าเลิกมานอกจากมีเหตุสุดวิสัยมาไม่ได้เท่านั้นอย่างนี้ไม่เป็นไร นี่คือความเพียรข้อที่สองเพียรรักเพียรรักษาความดีที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้หายไปแล้วก็มาทำความเพียรข้อที่สก็คือมาละบาปที่ยังละไม่ได้ที่เรายังทำอยู่ถ้าเรายังฆ่าสัตว์ก็มาเลิกฆ่าสัตว์ถ้าเราพูดปดเราก็เลิกพูดปดถ้าเราลักขโมยเร า, ก, าก็มาเลิกมาเลิกรักขโมย ถ้าเราเสพสุรายาเมาเราก็มาเลิกเสพสุรายาเมาถ้าเรายังยังเสพการเมยอยู่คือยังมีร่วมประเวณีผิดประเวณีอยู่เราก็มาเลิกเสียอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของเราให้มีมีความรักหรือมีความสัมพันธ์กับคู่ครอง คือสามีหรือภรรยาของเราก็พอแล้วมีความสมได้แล้วนี่คือการล ะ, ะบาปที่เรายังไม่ได้ละแล้วเมื่อแล้วเราก็มาเพียรข้อที่4ก็คือมามาเพียรรักษาบาปที่เราละได้แล้วไม่หวนกลับคืนมาอีกถ้าเราระการฆ่าสัตว์ได้แล้วก็อย่า ก, กลับไปฆ่าอีก ละจากการรักทรัพย์ได้แล้วก็อย่ากลับไปอีกละจากการดื่มสุรายาเมาได้แล้วก็อยากกลับไปดีนี่คือเราเรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงมาข้อที่7ก็คือสัมมาสติสัมมาสติก็คือการนัลึกที่ถูกต้อง การรลึกที่ถูกต้องนี้ท่านก็สอนให้ระลึกอยู่ที่พุโทโธก็ได้หรือระลึกอยู่ที่ร่างกายก็ได้วันนึงเราทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจของเราคิดเลือเล่อยเปื่อยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่น ม, มัววิตกกังวลกับเรื่องต่างๆนานาโดยใช่เหุให้เราควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป พอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธไปเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารทำงานก็พุโทโธไปแล้วใจจะว่างใจจะไม่มีความว้าวุ่นขุดบัวจะมีความเย็นความสบายมีความสุขหรือถ้าเราไม่อยากจะบริกรรมพุโทโธเรามีกำลังที่จะสั่งใจไม่ให้คิด ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ใช้ได้เช่นร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือเรียกว่าสัมมาสติการมีสติและเลือกรู้อยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุทธโธและข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิเราต้องการความสงบความนิ่งความว่างเพราะความสงบความนิ่งความว่างนี้จะเป็นฐานของปัญญาคือสมาทิฏฐิต่อไปถ้าเรามีความนิ่งแล้วเราก็จะตัดกิเลสได้แต่ถ้าใจเราไม่นิ่งเราจะไม่มีกาลังตัดกิเลสตัดความอยาก เช่นเวลานั่งไปแล้ปรากฏเห็นนั่นเห็นนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเจอสิ่งต่างๆในขณะที่นั่งในสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อดับกิเลสตัณหาเพราะสมาธิแบบนี้ไม่ได้ทำให้ใจมีพลังมีกำลังที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงได้ พุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ไปสนใจกับนิมิตต่างๆกับสิ่งต่างๆการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการนั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นเทวดาเห็นเห็นอะไรทั้งนั้นต้องการให้เห็นความสงบเห็นความว่างเห็นความนิ่งของใจเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะทำเอาไปใช้กับการตัดกิเลสตัญหาต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองถ้ามีสมาธิที่ถูกตั้งแล้วพอสมาธิที่บอกว่าอันนี้เป็นทุกข์เราก็จะหยุดได้พอบอกว่าสุราไม่ดีดิ่มไปแล้วไม่ดีก็จะหยุดได้เศกการณไม่ดีก็จะหยุดได้ถ้าสัตว์ไม่ดีก็จะหยุดได้เพราะมีกําลังที่จะหยุดนั่นเองแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไปเห็นนั่นเห็น mm hmm. นี่แล้ว พอออกจากสมาธิมาจะไม่มีกำลังจะไม่มีกำลังที่จะอยู่ได้นี่คือเรื่องของสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเป็นข้อที่8ของมรรคที่มีองค์8ถ้าพวกเราสามารถศึกษาและปฏิบัติตามมรรคทั้ง8ข้อนี้ได้ผลที่จะตามมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นขั้นๆไป เรียกว่ามรรค ส, สีพ้นสีนิพพานเนี่ยหลุดพลเป็นขั้นๆ ข, ขั้นที่หนึ่งก็โสดาบันขั้นที่สองก็สติดาคามีขั้นที่สามก็อนาคามีและขั้นที่สี่ก็คือขั้นพระอรหันต์เมื่อหลุดถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอกต่อไปจะอยู่ในพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดสิ้นไป นี่คือผลที่จะได้จากการศึกษาและปฏิบัติทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาและปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาศึกษาและปฏิบัติกันในวันนี้ขอให้ท่านพยายามศึกษาไปเรื่อยๆและปฏิบัติตามไปเรื่อยๆแล้วท่านจะพบกับความสุขและความเจริญไปตามลำดับจนถึงความสุขและความเจริญที่แท้จริงต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตะนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้งกล้าปลอดภัยเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาร ะ, ะโดยทั่วหน้ากันเธอ